อาเจริญพรทุกทุกท่านจะหมดปีหนึ่งแล้วนะใกลเดือนสุดท้ายแล้วเมื่อปีกลายจำได้ไหมเต็มไปด้วยคำพยากรณ์น่ากลัวเยอะแยะเลยปีนี้โอ๊ยหายณะอย่างนี้นอย่างนี้นะมากมายผิดหวังไหมมันไม่เกิดคง <c oughs> ไม่ผิดหวังนะ แสดงว่าถ้าเขาไม่ใช่ถ่ายผิดนะเขาถ่ายเก่งถ่ายถูกก็แสดงว่าบุญของพวกเรามากขึ้น เ, เราก็ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะสตีการเขาก็เลิกสะก่อนอย่างนี้ก็ยังดีไหนๆก็พูดถึงพยากร์แล้วหลวงพ่อพยากร์เลยปีหน้าไม่มีพลาดปีหน้าอะไรๆก็ไม่แน่หรอกถ้าถ่ายอย่างนี้ยังไงก็ไม่ผิดครับ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 คำสอนซึ่งไม่มีใครต้านทานได้แร้สมมูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราดูทุกๆเรื่องนะในคำสอนของท่านนะมันจะมีขั้นมีตอ น, นเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีอะไรจะเต็มไปหมดเลยแต่ทั้งเรื่องความทุกข์ท่านก็บอกความทุกข์คืออะไรอะไรเป็นเหตุของความทุกข์เนี่ย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 มีความชัดเจนมีความแน่นอนไม่ดิน้นเพียงแต่ว่าปัญญาของเราเนี่เข้าถึงลาบากนิดหนึ่งเพราะปรากฏการ์อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะเกิดจากเหตุปัจจัยจํานวนมากมันไม่ใช่แค่ A แล้วก็ไป B แล้วไปซนะีนมัน A อบีแล้วก็ไป F อฟอะไรเงี้ยมีปัจจัยจํานวนมากทําให้เกิดปรากฏการ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างขึ้นมา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 ในบทส่วหมนต์จะมีนะมีอยู่บทหนึ่งบอกว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังกวขึ้นรูปังอนัตตาเลยไม่มีรูปังทุกขงังนกระโดดเลยทำไมพระพุทธเจ้าก็สอนกระโดดเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าคนที่ดูขันเนี่ยพวกที่ดูขันเนี่ยขันหเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกดูจิตพวกที่ชอบรู้นามาทำ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 เนี่ยถ้าจิตมีความทยานอยากนะจิตส่งออกนอกยะเคลื่อนไปเคลื่อนไปที่ไหนเคลื่อนไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสอย่างยุงมากัดเรานีจิตเราเคลื่อนไปที่ยุงเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราจิตเราเคลื่อนไปที่คนที่มาปาดหน้านีจิตจะเคลื่อนออกไปข้างนอกตลอดเลยนะถ้าจิตเคลื่อนออกไปก็ไปก่อเรื่องนะไปก่อเวร ก, ก่อกรรมก่อทุกข์ก่อความดิ้นรนปรุงแต่งขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติ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 ที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยสอนให้ดูตัวสังขารกับตัวสัญญาสังขารกับสัญญานีทำงานควบกันนะสังขารเป็นความปรุงของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วบ้างนะสังขารเนี่ยปรุงขึ้นมาได้อาศัยสัญญานะเช่นเรานึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาสังขารก็ปรุงนะเกลียดคนคนนี้ขึ้นมานคนคนนี้เคยโกงแชร์เราเมื่อ20ปีก่อน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 ดูแค่ตัวสัญญากับสังขารนะไม่ได้ไปถึงตัวเวทนาหรือความสุขทุกข์เพราะท่านพิจารณาแล้วว่าหลวงปู่ดูลดูแค่นี้ก็พอแล้วนะนถ้าพวกเราดูสัญญาดูสังขารไม่ถนัดนะเราก็ดูเวทนานะสัญญากับเวทนาแล้วนกะ็จะมาปรุงสังขารได้อีกนะก็ปรุงขึ้นมาได้ดูตัวไหนก็ได้นะตัวที่ปรุงจิตมันกะ็จะเห็นเลย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 นะมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมีปัญญาเข้าใจความเป็นไตรลักษณนะ์ของสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยให้เราภาวนานะเราคอยรู้เท่าทันอยู่อย่างนี้ไม่นานหรอกนะโลวงปู่ดูลเนี่ยตามประวัตินะไม่กี่เดือนเลยหลวงปูมั่นสอนโลวงปู่ดูลแล้วไม่กี่เดือนนะหลวปู่ดูลก็รู้อริยสัพ่งจิตรู้ว่าเนี่ยถ้าจิตมันส่งออกไปจิตมีตัณหาเนี่ย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 เราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะในเวลาไม่นานหลวงปู่ดุลไม่กี่เดือนหรอกแล้วพวกเรามาหัดภาวนาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยไม่นานเราก็เห็นหรอกว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่เที่ยงจิตใจของเราเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราทำงานได้เองโกรธก็โกรธเองโลภก็โลภได้เองหลงก็หลงได้เองนะสุขก็สุขเองทุกข์ก็ทุกข์ได้เอง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 เราจะไม่ทุกข์หรอกนะความทุกข์จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราไม่ได้ความทุกข์มันมาสู่ใจเราเนเพราะว่าเรายอมรับปรากฏการณ์ที่กำลังเป็นอยู่นี่ไม่ไดนะ้อย่างเมื่อปีกลายน้ำท่วมเรายอมรับไม่ได้ว่าน้าจะท่วมบ้านเราก็ทุกข์นะเพราะท่วมหลายหลายวันเรายอมรับได้แล้วความทุกข์ก็ลดลงลดลงใช่หหรือความแก่นะความแก่อย่างไรพวกเราก็ต้องแก่นี่ก็จะครบปีจะได้แก่อีกหนึ่งปี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 ก็เรื่องของดอกไม้แล้วบุญของเราสำเร็จแล้วแด่คิดอย่างนี้ใจเ็าจะมีกำลังขึ้นมาแล้วก็ภาวนานะภาวน า, า, วนาควรจะตายในเดือนเดียวก็ไม่ตายรักษาก็ให้หมอรักษานะไม่ใช่ภาวนาอย่างเดียวแล้วรอดนะควรอะไรเรื่องอันนะเราต้องรักษาจิตของเราร่างกายก็ให้หมอเขารักษาไปตามหน้าที่ของหมอไม่งั้นเดี๋ยวหมอตกงานเราต้องเห็นใจเขาเหมือนกันนะเขาเรียนตั้งนาน นะส่วนใจของเราเนี่ยไม่มีใครมารักษาให้เราได้เราต้องรักษาของเราเองนะเนี่ยแกก็รักษาใจของแกได้นะหมอก็รักษาร่างกายแล้วก็หายนะพอหายแล้วหมอก็บอกว่าโรคมะเร็งชนิดนี้หายแล้ว6กเดือนจะต้องกลับมาใหม่นะตามสถิติ6เดือนอย่างมากที่สุดจะกลับมาแล้วรักษาไม่ได้อีกแล้วนะปรากฏว่ามันไม่กลับมามันไะม่ยอมกลับมาเนี่ยมันไม่เที่ยงเห็นไหม คำพยักกรอนที่ร้ายแรงท้ายแรงเหมือนน้ำจะท่วมตึกสี่ชั้นไม่ท่วมนี่หมอบอกว่าอยู่ได้หกเดือนจะตายไม่มาไม่แม่มาเลงไม่กลับมานี่แกอยู่มาครบห้าปีแล้วก็ให้หมอตรวจเรื่อยๆนะฟอลล์อัตรวจระยะระยะระยะเล ย, ะะยะพอครบห้าปีหมอบอกไม่เอาไม่อยากตรวจแล้วเสียเวลามันไม่มีนะก็เลยเอาผ้าไตรมาถาวายหลวงพ่อเป็นค่าบูชาธรรมะ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 ใจไม่ทุกนะใจมีความสุขมีความอิ่มมีความเต็มขึ้นมาสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยโรคบางโรคหายได้นะแต่ถ้ากรรมตัดรอนไม่หายหรอกนะแต่ว่าโรคบางโรคก็หายได้แต่โรคจะหายหรือโรคไม่หายเนี่ยเป็นโรคทางกายแต่โรคทางใจนะหายเด็ดขาดเลยค่อยค่อฝึกพาใจเราสงบใจเราตั้งมั่นใจเรายอมรับความจริงได้ใจก็มีความสุข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 นะเป็นเรื่องของสังขารกายนี่ก็เป็นสังขารนะจิ nine, tu, Arizona, ตใจเราก็เป no ็นสังขารเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่สัจจะนั้นไม่ตายสัจจะเป็นความจริงนะความจริงไม่ตายถ้าเราเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงอันไม่ตายนี่นะส่วนตัวเราจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะที่แก่ที่เจ็บที่ตายนั้นคือตัวสังขารตัวขัน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 ไอตัวที่แก่มันไม่ใช่เราตัวเรามันไม่มีนะค่อยภาวนาพอนานะเรจะเจอแต่ของวิเศษธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์มากเลยไม่มีใครเหมือนไม่มีอะไรเหมือ น, นพอไหวไหมพอเข้าใจไหมเทศยากไปไหมวันนี้นะสายหน้าไม่ยากเห็นไหมหน้ามันสายใจเป็นคนดู <c oughs> นะไม่ยากไม่ยากนะแต่ใจหนีไปไหนหมดเลยน ะ, นะต้องรู้ตัวนะ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 ท่านเรียกว่าอริยสัจไม่ใช่สัจจะกระจอกงอกง่อยนะเป็นอริยสัจอริยสัจเนี่ยเป็นความจริงที่ปุถุชนเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วเนี่ยก็จะพ้นจากความเป็นปุถุชนจะเป็ hmm Again, นพระอริยะนะหรือจะเป็นสัจจะแปลหลายได้หลายอย่างนะเป็นความจริงที่ปุถุชนรู้แล้วก็ได้เป็นพระอริยะหรือเป็นความจริงที่พระอริยะรู้ก็ใช้ได้นะงัเราต้องมาเรียนจนใจเราเข้าถึงสัจจะ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 คิดว่าไม่ต้องภาวนาเดี๋ยวไปเจอพระเสีรายระยะเมตไตรแล้วก็จะบรรลุธรรมง่ายๆบรรลุยากอยู่แต่ถ้าบรรลุง่ายก็เราต้องปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนนี้นะให้ใจเราใกล้ที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยถ้าคนไหนบารมีพอก็เห็นมาในชาตินี้แหละบารมีไม่พอก็เห็นชาติต่อต่อไปบารมีน้อยหนะ่อยก็ภาคเพียรดูไปเรื่อยนะรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามไปนะ แลนะพอไปเจอพระศสียริยะเมตไตรมาสอนอริยสัจนะเราฟังปุ๊บเราเคยปฏิบัติแล้วจะเข้าใจอย่างรวดเร็วเลยไม่อื่นไม่ช้าเหมือนชาตินี้หรอกชาตินี้แสดงว่ายังทํามาน้อยนะทํามาน้อยทํามาน้อยก็ต้องทำนะว่าบางคนก็ภาวนาได้เร็วบางคนก็ภาวนาได้ช้าแต่ละคนไม่เหมือนกันจิตใจบางคนมันดือ้อ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 รู้สึกว่าไม่ดือ้อยกมือสิไม่ดื้อเพราะอะไรก็ได้หวานหวานแหวแวแหววสบายใจอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าใจเราอ่อนกับธรรมะนะเราได้ยินเราได้ฟังธรรมะใจเราจะมีความสุขนะจะมีความเบิกบานด้วยธรรมะถ้าใจของเราฟังธรรมะอะไรวะอะไรวะ <c oughs> นะมีแต่เปเชนมาร์กตลอดเวลา หรืองงหรือฟังเราก็ลำาขาน ใ, ใจมันกระด้างกระธรรมะใครฟังหลวงพ่อเทศแล้วมีความสุขบ้างยกมือสิโอโหเยอะขนาดนี้เลยนะแสดงว่าไม่ดื้อหรอกแต่ขี้เกียจ <laughs> ใจไม่ค่อยดื้อนะขยันหน่อยเดียวนะถ้าใจไม่ดืนะ้อเนี่ยขยันขยันนะสักพักเดียวมันก็ได้เรื่องหรอกเจ็ดปันเะจ็ดเรือนเจ็ดปีไม่ใช่เหลือวิสัยนะคนสมัยพุทธกาลไม่ใช่ไอคิวสูงกว่าพวกเรานะ แล้วเขาก็อีขิวเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความทุกข์เขาก็เยอะนะโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะสงครามก็มากเลยนะแต่เขาก็ภาวนานะภาคเพียนเขาก็พ้นทุกข์ไปเยอะแยะแล้วพวกเรามาทีหลังนะสมัยนั้นพวกเราอาจจะเป็นเกิดเป็นเทวดาอยู่ก็ได้เนาะตอนที่พระพุทธเจ้ามาตรัสเราก็โมแต่โมธนาสาธุพุทธเจ้าตรัสนะไม่ได้ลงมือปฏิบัติแยกรูปแยกนาม นี่พูดให้กำลังใจนะความจริงบางคนอาจจะยังอยู่ในนรกอยู่งั้นต้องมีความตั้งออกตั้งใจนะหรวงพ่อสอนธรรมะให้แบบหมดเปลือกนะแล้วเหนื่อยมากในการสอนคล้ายๆเข็นควายขึ้นภูเขานะไม่ใช่เข็นโคลกนะใจพวกเราทีอยากได้นิพพานนะแต่ไม่อยากปฏิบัติโอ้มันคอนทราสต์มากเลย ้นอยากได้นิพพานต้องปฏิบัติด้วยเหตุกับผลมันต้องสมควรกันนะถึงจะไดนะ้การปฏิบัติไม่ยากนะครอยรู้ความจริงของกายครอยรู้ความจริงของใจเมืเราไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เห็นเองนะไม่ยากอะไรหรอกนี่สอนให้แบบละเอียดสอนละเอียดยิบเลยนะสอนทั้งสอนทั้งเตือนทั้งให้กําลังใจนะทั้งปลอบลลทั้งสารพัดเลยทั้งคู่ บางทีก็ขู่นะรู้ไหมวัตตานี่น่ากลัวนะอืสัตว์นรกก็มีจริงๆนะไม่ใช่หลอกเด็กนะอืมีจริงๆเปรตก็มีนะอสุรกายก็มีนะไม่ใช่ไม่มีพวกเราอบัยภูมิใครเคยเห็นสัตว์ในอบัยภูมิบ้างมีไหมไม่เคยเห็นหมาเหรอหมาแมวก็สัตว์ในอบัยภูมินะลืมไปแล้วเหรอะต้องคิดว่าตัวเป็นตัวที่ไม่มีร่างกายนะ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 แล้วเกิดตายในวันนั้นพอตายปุ๊บเนี่ยตามธรรมเนียมของพระเนี่ยพอพระตายเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดส่วนตัวของพระองค์นั้ น, นจะตกเป็นของสงฆ์สงฆ์จะเอไปแบ่งกันได้นะคนที่เอาบาทไปคนนี้เอาจีวอลไปคนนี้เอาลัศมีประคดไปอะไรเงี้ยแบ่งกันนะใครจะเอาอะไรก็แบ่งท่านมีลําดับด้วยพวกพระอุปัถาก็ได้ก่อนนะพวกที่คอยดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนั้ได้ก่อนนะ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 ทำไมต้องเจ็ดวันไอมแมลงตัวนี้มันมีอายุแค่เจ็ดวันแล้วมันจะตายนะตเนี้ยพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะพอเจ็ดวันนะแค่ก็ตายนะก็เกิดไม่หวงจีวร น, นะไม่เกิดมาเกิดซ้ำอีกนะข้าก็เลยเอาจีวรไปแบ่งกันได้เนี่ยขณะจิตสุดท้ายเท่านะเวลาตายนะตายด้วยโลภะกนะ็ามาเกิดเป็นสัตว์ที่มาเฝ้าอยู่ มีพระองค์หนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังแต่บอกไม่ได้ว่าองค์ไหนนะสมัยยังเป็นขราวาตนั่งรถไปเชียงรายผ่านป่าไปนะมีป่ามีภูเขาสมัย3ามปีก่อนนะภูเขายังต้นไม้ก็ยังมีอยู่นะข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะดูไปดูไปนะเห็นเปรดเปรตนี้ไม่ใช่เปรดกระจกนะเปรตพระพระหน้าตายแล้วเป็นเปลต แล้วเป็นเปลตที่งดงามนะเป็นพระที่ผ่องใสงดงามมากเลยตัวใหญ่สูงเป็นภูเขาเลยนะเดินอยู่ในป่าออกจากป่าไม่ได้นะในตำราในคำฟีของเราเนี่ยพูดถึงเปรตพระด้วยนะเพราะฉนั้นพระเป็นเปรตก็มีนะไม่ใช่ไม่มนะีนี่เปลตพระเนี่ยเดินทําไมงดงามทําไมผ่องใสเนี่ยก็นะบอกว่าที่ผ่องใสเนี่ยเนะพราะรักษาศีลดีนะ พอรักษาศีลเนี่ยจะทำให้สวยงามนะขนาดเป็นเปรดก็เป็นเปรตที่สวยงามแต่ว่าท่านเนี่ยหลงป่าแล้วอดอาหารตอนที่จะมรณภาพเนี่ยนะมรณภาพด้วยใจที่กระวนกระวายถึงอาหารแค่นี้เองอะนะภาวนามาแทบแย่เลยนะขนาดสุดท้ายเนี่ยใจคิดถึงอาหารเท่านั้นเองก็ไปเป็นเปรตพระนะเป็นเปรตที่สวยงามนี่กรรมมันให้ผลนะ กรรมที่มีโลภะในขณะสุดท้ายของจิตนะก็ทำให้ไปเป็นเปลตดแต่ว่าศีลที่เคยสะสมอบรมมาทำให้งดงามอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยพลาดนิดเดียวก็ไปอบายได้นะพระนนก็เคยนะเคยทำบุญนานมานะมากแล้วทั้งสมัยพุทธเจ้าก่อนๆทำบุญเสร็จแล้วก็อธิษฐานเกิดชาติไหนก็ขอให้รูปงามปรากฏว่าชาติต่อมานี่งามมากเลยนะเป็นชู้กับชาวบ้านาไปทั่วเลยตกนรกนะ พอื่อนจากนารกก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นบัวเป็นวัวรูปหล่อนะเพราะว่าอธิษฐานไว้ตอนตกนรกคงเป็นสัตว์นรกรูปหล่ออีกแหละเพราะกรรมมาเนืองให้ผลไปเรื่อยๆนะกรรมยังมีเยอะนะเป็นวัวรูปหล่อแล้วก็เดินไปไหนเนี่ยวัวตัวเมียจะวิ่งตามเจ้าของเขาลาขาดนะเขาจับตอนเลยแต่เป็นวัวถูกต้อนเป็นเศษกรรมที่ว่าเป็นชู้กับเขานะเนี่ย กรรมมันให้ผลอย่างนี้นะงั้นพวกเราต้องระมัดระวังพวกเราถ้ารู้ถ้าเห็นเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ใช่นิทานหลอกเด็กถ้าภาวนาแล้วไม่มีตาไม่มีหูอะไรนะก็ฟังไว้ก่อนนะทำไมพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ทำไมครูบาอจารย์เล่าสืบกันมาอย่างนี้มันต้องมีเหตุมีผลนะธรรมมาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมมาหลอกเด็กในธรรมมาที่ซื่อๆตรงๆนะบอกตรงๆนะ ไม่ใช่ต้องตีความเป็นปรัชยงป์ปรัชญาอย่างบางคนบอกลวงู่ดูสอนปรัชญาไม่ได้สอนปรัชญาสอนตรงๆรงนะธรรมะไม่ต้องตีความนะนั่นพวกเรานะตั้งใจนะมีสติคอยรู้เท่าทันใจของเราความชั่วใดๆผ่านเข้ามาในใจให้คอยรู้ทันไว้ถ้าเรารู้ทันกิเลส ท, ที่เข้ามาในใจเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะเราจะเกิดทีรีโอตปะขึ้นมานะเราจะละอาย เราจะละอายใจที่จะทําชั่วเราจะเกรงกลัวผลของการทําชั่วนะพอเรามีสติเราก็จะได้ฮิริอัตตปะขึ้นมาพอมีฮิริอัตตปะขึ้นมาแล้วศีลก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมธรรมะมันเป็นเหตุเป็นผลเรามีสตินะรู้ทันใจของเราเรื่องกิเลสมาเรารู้ทันเราจะเกิดฮิริอัตตปะอัตโนมัติเมื่อมีฮิริอัตตปะแล้วศีลก็จะเกิดขึ้นเนะพราะเราจะไม่ทําผิดศีลเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยใจเราจะมีความสงบสุข มีความสุขเกิดขึ้นเพราะการมีศีลทันทีที่เราคิดถึงศีลเราก็จะมีความสุขใจก็จะสงบสมาธิก็จะเกิดขึ้นมีศีลเราก็มีความสุขมีความสุขก็มีสมาธิเพราะมีสมาธิแล้วเราก็มาเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยไปก็จะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นี่เรียกว่าปัญญาเพราะมีปัญญาก็จะมีวิมุตติคือความหลุดพ้น ใจก็จะไม่เข้าไปยึดถือในกายในใจนี้เพราะกายใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะใจก็จะคลายความยึดถือนะพอใจคลายความยึดถือใจก็หลุดพ้นนะจากอาสวะกิเลสทั้งหลายที่ห่อพุ้มจิตใจนะจิตใจเป็นอิสระนะก็จะเกิดยานทัศนะนะเรื่องวิมุตยานทัศนะเราจะรู้แจ้งแทงตลอดอนิพพานนะ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 นิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความอยากพ้นจากตัณหานะใจไม่มีตัณหาใจไม่หิวโหยนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแตง่งใจไม่ดินน้นรนปรุงแตง่งมีความสุขนะิพพานนะไม่ยึดไม่ถือไ ม, ไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรใจไม่มีน้ำหนักนะถ้าใจอยางเที่ยวยึดอะไรต่ออะไรใจก็หนักหนักขึ้นมานะใจของเราที่สัมผัสพระนิพพานนี่จะมีความสุขมากใจกับพระนิพพานเป็นสภาวะธรรมคนละอันกันนะ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 ญาณก็เป็นเรื่องปัญญานะเป็นปัญญาพื้นๆญาณ น, นะปัญญานี่เป็นเห็นความเป็นใจรลลักแล้ถถึงระดับวิชาเนี่ยจะเห็นอริยสัจเป็นเรื่องของปัญญาทาั้งสิ้นเลยจุดตั้งต้นเล็กๆนี่แหละ น, ะ, นะน้ำหยดทีละหยดก็เต็มตุ่มเต็มถังน ะ, น ะ, น ะ, ะเราเจริญสติทีละขณะทีละขณะวันหนึ่งมันก็ต้องเต็มเหมือนกันแต่อย่าระวังตุ่มรั่วนะอ่งรั่วตุ่มรั่วนะน้หยดหยดนั้น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 นะไม่เห็นทุกเห็นโทษแต่ถ้าเป็นนักบวชนะเวลาการมาราคาเกิดนี่มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเห็นทุกข์เห็นโทษง่ายง่ายารวะนะขั้นต้นๆนีน่ทำได้ไม่ยากนักหรอกสมัยพุทธกาลเขาก็ได้กันเยอะแยะนะวันนี้เอาเท่านี้ก็พอนะให้สมกับปีใหม่นะท้งเทศให้มันซาบซึ้งถึงอกถึงใจหนะ่ <c oughs> อยมีใครจะถามไหม ากาศแมรสกาศหลวงพ่ อ, อ, พอจะ<า>เป็นไงปีนี้ขอโอกาสส่งที่นี่เจคะส่งไม่เ อ, อาเจ้าคะหลวงพ่อเียนแต่อัตตาเป็ไปมดอัตตาไม่มีจริงหรอกมีแต่ความสําคัญมั่นหมายเจ้าค่ะเราดูไปได้่อสินะเจ็บป่วยหรือตกลมข า, <อ>ขาหักเจค่ะหลวงพ่ อ, พอนี่ขาไม่เที่ยง <laughs> ดูไปหนะ้าร่างกายเนี่ยเป็นดอกไม้ขอถวายพระ ทำใจอย่างนี้นะอสมาธิมันจะเกิดการหกล้มยงก็เห็นว่าเออคือจิตก็จะเด้งออกมาเลยนะคะแล้วก็อจิตจะออกจากร่าง <c oughs> เลยรู้สึกไม่ค่อยกลัวคือไม่กลัวตายนะคุณท่าดาเห็นไหมเวลาล้มแล้วสติเราเกิดนะเราเห็นร่างกายเนี่ยล้มเป็นช็อตๆเลยคเห็นเนี่ยกลิ้งลมล้มล้มล้มไปหัวจะโขกแล้วหลบซะหน่อยอย่างเงี้ยเอ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 ทีนี้โยมมีเวลาว่างเยอะอ น, นะคะโยมก็เลยทำสมาธิถ้าถูกแล้วนี่ทีนี้สมาธิที่โยมทำมาค่าหลวงพ่ อ, อขณะที่ทำสมาธิมันจะมีสามสภาวะเลยค่ะมีอรรถมณูมีรมัก น, นูแล้วก็มีมิจฉาสมาธิเอได้ถ้าลงรู้แยกแยะออกนะก็ใช้ได้แล้วละ่ะส่วนใหญ่เ็าจะทำแต่มิจฉาสมาธินะ <c oughs> แล้วก็คือยอมจะพุ้งสร้างเลยนะคะแล้วก็จะดูรู้หลงอย่างที่หลวงพ่อสอนนะคะอพอรู้หลงจนความพุ้งสร้างมันสงบไปเนี่ยค่ะเหมนจิตเขาก็จะเริ่มนิ่งๆแล้วทุกครั้งที่จิตนิ่งเนี่ยยมรู้สึกตัวอยู่นะคะแต่มันจะเหมือนกับว่าเข้าสู่อาการเคลิอมอันนั้นจิตจิตมันรวมลงไปน ะ, ะให้มันมันลงไปพักไม่เป็นไร ให้ลงไปพักนะเจ้าค่ะมันจะรู้สึกว่าจิตเคลื่อนด้วยจะต่างถ้าเคลื่อนให้รู้ว่าเคลื่อนนะมันจะเคลิ้มอยู่ที่โดยไม่เคลื่อนอยู่ที่ฐานนี่เองแล้วจิตรวมลงไปถ้าจิตเคลื่อนให้รู้ว่าเคลื่อนแล้วมันจะไม่เคลื่อนถ้าไปเคลิมอยู่ข้างนอกไม่ดีเจ้านะค่ะก็ควรจะเลิกทํหรือทาต่อไปเจ้าค่ะทาต่อไปนะทาอย่างที่ทานี่แหละทาถูกแล้วล่ะ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 แต่อย่าป่วยบ่อยเดี๋ยวกำไรมากไปเรียกกำไรเกินควรอค่นี้พอแล้วจะนเอานะแค่นี้พอแต่ว่าภาวนายังไม่พอเราจะยังจะเพียนต่อไปต้องทำอีกดีแวาวเป็นพุทธบูชาแล้วถวายหลวงพ่อเป็นอาจารย์บูชาสาธุอ้าวต่อไปกราบธรรมสการหลวงพ่อฮะก็จะมากราบของกันบ้านทาชีแนของหลวงพ่อค่ะเคยได้รับกันบ้านไปบ้างไหมยังค่ะ สังเกตหรือเปล่าว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันเออนะแสดงว่าฟังซีดีมาแล้วล่ะฟังทุกวันนะฟังมานานพอสมควรมั้งไรฟังแหัดแยกขันไปเรื่อยๆนะแล้วก็รู้ทันกิเลสนานาชนิดในใจเราไว้นะอย่างมันมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นอะไรเงี้ยนะถ้ามันแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันมันนะอแล้วชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมากขึ้น เมื่อ ว, วันเดือนพฤษภาที่ไปส่งกันบ้านกับพี่มารีที่บ้านจิตสบายค่ะแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าให้หัเดินจงกรมค่ะซึ่งหนูก็ไม่เคยเดินในลักษณะรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกลับบ้านลงทำค่ะแล้วทำอยู่ทำวันแรกค่ะ mm hmm. เห็นจิตมันเคลื่อนออก mm hmm. เคลื่อนออกตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะทำอยู่สองวันแล้วก็วันที่สองก็เดินไปก็จะเคลื่อนออกเคลื่อนออก แล้วพอนั่งลงเนี้ยบางทีหนูจะดูกายโดยสันส่นสัศีษะาเงี้ยค่ะพอนั่งลงแล้วสันศีรษะแล้วมองทะลุลงไปมันไม่มีจิตอยู่ในนั้นนะคะแล้วรู้ตัวคือจิตมันอยู่ข้างหลังเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็อตอนนั้นจะจะตกใจกลัวแล้วมันก็กหลุดไปเลยไม่ได้เห็นอะไรแต่จะ ก, กลัวมากก็คือก็ให้รู้ทันใจที่กลัวนะใจมันฟุ้งซะก่อนนะแล้วทำไม มันมันไม่เคยเดินมาก่อนนะคะแล้วทำไมมันมันคือได้ได้เห็นแต่แต่ณวันนี้ยคือไม่ได้เห็นกับยันติดต่อไปแล้วค่ะคะุณพ่อแสดงว่าที่ทํามานะมันก็มีผลที่ดีขึ้นน ะ, ะแล้วเวลาที่ที่เดินจงกรมะเวลาที่จิตเคลื่อนไปคือจิตจะตั้งมั่นใช่ไหมคะ<ช>หนูท้อ<ช>แล้วถ้าเกิดเ อ, อจิตที่ไม่เคลื่อนออกไปนี่เป็นสมถะนี่ตรงนั้นนี่จิตฐ<ถ>านเหรอคะถ้าเราเพ่งอยู่นิ่งๆนะไม่ใช่จิตถึงฐานที่แท้จริงมันจิตยังโดนบังคับอยู่ มันต้องไม่เคลื่อนของมันเองมันไม่เคลื่อนเพราะมันรู้ทันเวลามันเคลื่อนปุ๊บรู้ก็จ ะ, จะตั้งมัน่นไปขอากาบนักสัตว์กานหลวงพ่อครับของ ผ, ผมปฏิบัติผมเดินจงกรมนะครับแล้วก็ช่วงที่เดินช่วงแรกนี่ก็จะคุ้งแล้วก็สักพักมันึะง่วงง่วงแบบเดินนี้หลับเตะนู่นเตะนี่คุไปโกงาประจํา ก็พยายามทนอยู่ประมาณสัปดาห์ที่นึ่งแล้วก็มันไปเห็นจุดที่มันกําลังจะเข้าความว่วงนะแล้วหลังจากนั้นมันจะความว่วงก็จะรบควนไม่ได้เอทีนี้ก็ปฏิบัติต่อก็จะมีความฟุ้งเหมือนเดิมแล้วก็จะเห็นว่าสัญญาสังขารมันเริ่มทํางานแต่ก็จะดึงกลับมาที่ฐานตลอดครับก็ลองพยายามแล้วก็ตั้งจิตตอนนี้ก็เลยขออนุญาต ม, มาตั้งจิตอธิษถานตอนหน้าหลวงพ่อไว้เจะขอ อไม่ถอยออะไรนะแต่ขอปฏิบัติแบบไม่ถอยอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีจิตมันค่อนยๆจะอ่อนแอแล้วก็ขี้ขาดไปหน่อยก็เลยว่าจะขอจิตให้มันมีความตั้งมั่นแล้ก็ศรัทธาสูงขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให้ดีที่สุดเราก็ขอกันบ้านขอพ่อด้ยฝึกที่ฝึกอยู่นะมันดีนะขันมันก็แยกแล้วนะเห็นไหมขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเรา เนี่ยเราจะดูซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะเป็นวันหนึ่งจิตมันยอมรับว่าตัวเราไม่มีหรอกภาวนาถูกแล้วละภาวนาดีละแต่จิตต้องถึงฐานนะตอนนี้ไม่ถึงครับแต่นี้ออกนอกแล้วครับแต่นี้ออก น, อ, น อ, อกการธรรมศาสตร์การกนะคะค่ะหลวงพ่อรุกนั่งสมาธิทุกเช้านะคะแล้วจะเกิดแสงแล้วก็ตั้งมั่นแล้วก็คิด แล้วก็เป็นตั้งมั่นแสงสลักตั้งไปมาค่ะอันนี้รูปควรปรับปรุงหรือว่าคะถ้าแสงนะแล้วจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทันไนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าตั้งแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมามังนั้นดูที่การรู้ทันจิตนะใช้จิตเป็นหลักไหมงั้นอย่างถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นเราไม่ไปดูที่แสงหรอกเรารู้ว่าจิตเราไหลไปอยู่กับแสง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 เห็นความคิดปรุงความอยากความไม่พอใจความซากซึง้งแล้วก็เสียใจพอตีเห็นจิตตั้งมั่นสภาวะก็ดับค่ะอตอนนี้ลูกขอถามว่าถ้าลูกเห็นคิดสลับตั้งมั่นบ่อยมากอย่างเงี้ยเจ้อันนี้คือเห็นเกิดดับหรือว่าฟุ้งซ่านเรออาจารเป็นเกิดดับถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะไหลไปคิดแล้วเราไม่รู้ทันถ้าเรารู้ทันเนี่ยเรียกว่าเราจเจริญปัญญาอยู่เห็นความเกิดดับ ประมาณเดือนครึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อให้ลูกดูกตายลูกเห็นการกระทําเกิดจากความอยากตลอดเวลา mm hmm. มีอยู่วันหนึ่งจิตเขาแยกกันพูดนะคะ mm hmm. เหออมือนว่าเขาอยากให้เราทํานู่นทํานี่ค่ะพอเห็นความอยากตลอดเวลาแล้วก็ทุกข์มากเจ้าค่ะ mm hmm. ก็คิดว่ากิเลส ก, กาลังบดบางไม่ให้เห็นกายใจลูกก็เลยมองลงไปที่ใจจิตตั้งมั่นความทุกข์กำลังมอดดับความสุขก็เกิดขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเ mm hmm. จ้าค่ะ อันนี้ลูกเคยเกิดครั้งนี้คราวที่แล้วเกิดเป็นการแต่ครั้งนี้เกิดความสุขมากเจ้าเออใความสุขก็รู้นะพอใจในความสุขก็รู้อีกต้องทําอีกอยังไม่พอนะทาอีกขาการเป็มัสการหลวงพ่อครับผมส่งกันบ้านเมื่อหกเดือนที่แล้วครับก็สิ่งที่จะตรงก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าที่ผมปฏิบัติมากรู้สึกว่าการปฏิบัติมันดีขึ้นบ้างลดแย่ลงบ้างเป็น ดีขึ้นได้ลงสองประมาณสองรอบครับบางทีช่วงก็สติไม่ค่อยเกิดบางช่วงก็สติเกิดบ่อยบางช่วงก็ค่อนข้างจะเดินปัญญาครับแต่ว่าในการเดินปัญญาเนี่ยมันจะเหมือนเราต้องมีเหตุว่าผลวฟังตีหลวงพอ่อแล้วหลวงพ่อพูดสกิดเรื่องการจเจริญปัญญาปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบเมืนเดินได้หมุนหมุนหมุนุนได้สักช่วงหนึ่งเสร็จมันก็จะเป็นสติอ่ะสติเกิดบ่อยแล้วก็บางทีก็สติไม่ค่อยเกิดอะไรครับถูกแล้วแหละเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละนักปฏิบัตินะ เจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมในที่สุดเราก็รู้ความจริงแล้วเราไม่ได้พาวนาเอาเจริญหรอกเพราะเจริญไม่เที่ย ง, ยงแล้วภาวนาจนใจยอมรับความจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบังคับไม่ได้ก่อนก่อนอันนี้นผมก็ค่อนข้างจะดิ้นเหมือนกันนะครับว่ามันอยากให้มันอยู่แต่ว่าพอมันเจอเจอบ่อยๆเข้ามันก็ไม่ค่อยจะแบบทุกข์กเท่าไหร่เวลาที่มันอสติไม่ค่อยเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วช่วงที่เดินปรญญายนะคือผมก็ดูความดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นอะไรหายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนนั้นจะรู้สึกหนีจริงๆแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่อยู่ๆมันก็รู้สึกหวงๆวงๆแต่ผมก็ไม่ไม่ทันนึกอะไรแล้วก็มันเกิดมาสักสองสวันแล้วผมค่นึกได้เอ๊หรือว่ามันเป็นสภาวะที่หลวงพ่อเคยพูดหรือเปล่านะแต่ว่าก็มันมันก็เกิดอีกสองวันแล้วก็หายไปมันก็อมันก็ไม่เที่ยงก็ช่างมันก็ถูกแล้วล่ะจิตใจตใ้องฝึกให้จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะ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 พุทธเจ้าก็สอนนะให้สำรวมอินทรียนะ์ใช่ไหมอินทรีย์เรายังไม่กล้าแข่งแล้ก็สำรวมกันดูมากก็เท่านั้นแหละดูเท่าที่จำเป็นขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับอยู่ที่ความมีวินัยของเรานะแล้วทำให้สม่ำเสมอแล้วก็มันก็ไปของมันได้และวที่ทำอยู่ก็ใช้ได้ล้วนมาสการครับหลวงพ่อรู้สึกว่าจิตมันกระจายออกไปน้อยกว่าสองครั้งแรกที่เคยสูงครับ ดีมันเข้ามามากขึ้นแต่ออก็ยังไม่ถึงฐานจริงๆใช่ใช่แล้วเราไม่ดึงนะมันจะเข้ามาเองของ ค, คนใจมันจะกระจายนะเหมือนต้องให้เข้าบ้านย้อนมาดูกายะ้อนมาดูยังไม่ไจะมีแต่ความสุขครับแล้วครั้งที่แล้วหลวงพ่อชี้ให้ดูสภาวะที่ดึงะครับกลับไปทําก็เห็นอาการดึงบางครั้งมันก็เป็นการคว้ามาแรงๆเลยครก็เห็นไ ด, ได้ดีขึ้นนะครับมันก็ เบาลงแต่ก็ยังมีอยู่บ้างครับแล้วผมสงสัยนิดนึงครับผมในเวลาทําในรูปแบบนะครับคือว่า<ม>ถ้าครั้งแรกเนี่ยผมเคยส่งว่าตอนทํำในรูปแบบน้องไปเห็นหมุนๆอยู่ตรงกลางออกนะครับแล้วพอทําไปอีกระยะหนึ่งเพราะมันไม่ค่อยอยากเนี่ยมันจะเข้าไปเห็นอีกแต่ว่ามันจะเป็นเห็นรูปแบบอื่นนะเนี่ยมันก็เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันไม่จำเป็นว่าต้องให้ปรุงแบบเดิมไม่ไม่ต้องมันปรุงได้สารพัดเลยก็เข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับถูก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 ตอนที่หลงคิดกับตอนที่ตั้งใจคิดเนี่ยจิตก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่อธิบายไม่ถูกว่าต่างกันอะไรไม่ต้องอธิบายนะถนะ้าคนเขาภาวนาเขาฟังปุ๊บเขาก็รู้คนไม่ภาวนานะอธิบายไงมันก็ไม่รู้เมืันเราไม่จําเป็นต้องพูดหรอกครับ <c oughs> แล้วเรื่องสมถานิดนึงนะครับคือว่าครั้งที่เหลวงพ่อแนะนําให้ไปดูกระดูกพอกลับไปก็ไปดูครับเห็นว่าคือที่แรกจะงงว่าไม่รู้จะดูยังไงนะครับก็เลยไปคิดถึงกระดูกในร่างกาย <c oughs> เริ่มที่กระโหลกก่อนแล้วพอเริ่มปุ๊บมันก็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 อย่าเลิกนะเลิกแล้วโง่เจ็ดชั่วโคตรเลยนะ<อ>จะปฏิบัติบูชาไปตลอดชีวิตครับผมสาธุนะชอบมากเลยเลืกสิทธิปฏิบัตินกการำคารค่ะหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อมาเมื่อตอนต้นปีอะค่ะแล้วก็ภายในสามเดือนแรกหนูไก็เห็นขันแย่ออกไปเป็นเป็นจิตเป็นจิตที่ดูแล้วก็สงบแล้วก็กายแล้วจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วหนูไดเห็น ความหมุดหงิดนะค่ะแล้วหุดหงิดก็ไหลผ่านไปโดยมันย้อนมาว่ามันเห็นตากระทบก่อนนะแล้วก็มีความคิดว่ามันหูดหงิดแล้วก็หั่ไป อ, อย่างเงี้ยค่ะเห็นแม่ที่หลวงพ่อเทศไม่คิดเนี่ยนะมันต้องคิดก่อนนะมันถึงจะโกรธได้ใช่ค่ ะ, ะแล้วคราวนี้มีสภาวะหนึ่งที่หนูเห็นแล้วหนูสงสัยอะค่ะว่าเป็นชีวิตปกติประจําวันนี่แหละค่ะพอหนูเดินเดินอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนกายไม่มีหนูก็เฉยๆยไปแล้วก็คราวนี้ใจหนูอะค่ะ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 มันเป็นเพราะอะไรอะคะมันเกิดขึ้นเองอะคะ่ะมันมีปัญญาขึ้นมานะมันเพิ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วกายนี้ใจนี้กับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เนี่เป็นอันเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าห้ามไปทรงอยู่หนูกลัวค่ะหลวงพ่อน้องกลัวมันไปไกลแล้วหนูกลัวว่าตัวเราหายไปแล้วนะตัวเราจะหายบางคนชอบนะหลวงพ่อเองแหละตอนเป็นโยมนะภาวนาไปอ่านหนังสือเซนนี่แหละดีนักแหละก็อ่านไปอ่านไปโอ้ว่างไปหมดเลย แล้วก็ทำเลยคราวนี้คอปปี้แบบจิตอย่างนี้ไว้เลยนะนึกว่าจะดีไม่ได้เรื่องหรอกมันเป็นของปลอมไม่ดีใช่ไหมคะไม่ดีอไอ้ที่เห็นน่นถูกแล้วดีที่เห็นแต่ถ้าไปทำแบบนั้นไม่ดีเลยนะเป็นการทำผลไม่ใช่ทำเหตุเราต้องทำเหตุนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางทาเหตุตัวนี้แนะต่ใจเรากับโลกธาตุนี้จะกลืนในนันเดียวกันแต่ว่ามันกลืนแปลกนะ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 มันก็รู้กายรู้ใจต่อไปใช่ให้หลวงพ่อแนะนำอะไรก็ได้ให้หนูค่ ะ, ะแนะนำอะไรก็ได้อ่ะค่ะอย่าอย่าอย่าท้อถอยนะอย่าขี้กลั ว, ลวนั่นแหละขี้กลัวเยอะไปกลัวอะไรกลัวความจริงความจริงอะไรที่กลัวมากเลยตัวเราไม่มีใช่ค่ะตอนแรกฟังซีดีหลวงพ่อก็แบบดีใจที่แบบได้ยินว่าตัวเราไม่มีนะพอตอนไปเห็นนั้นแล้วมันกลัวฟังแล้วแบบ เสียใจร้องไห้ออกมากเพรา ะ, <ล>ะตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีนะก็คือตัวทุกข์ไม่มีเพราะจริงๆตัวเราไม่มีมีแต่ตัวทุกข์ <c oughs> นี่เราไปหวงแหนตัวทุกขนะ์แล้วว่าเป็นตัวเรารการมรดกการหุวงพ่อครับผมส่งกันบ้างครั้งแรกครับหลวงพ่อครับจากที่ไปเรียนจากซีดีมานะครับก็ดีผมรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นปัญญาล้าหน้าครับ มันมีควาว่าเดี๋ยวมันก็ตลอดนะครับโงไม่ได้ดังนั้นไปดักดักหน้าล้นะไปประมาณการว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นนีอย่างนั้นไม่ล้างกิเลสหรอกดูตรงปัจจุบันไปรู้ว่าใจฟุ้งซ่านไปู่อนาคตรู้ทันตัวนี้เลยนะว่าใจมันฟุ้งไปอนาคดแล้วให้รู้ทันเอาแต่ว่าการปฏริในรูปแบบนี้ผมไม่ทิ้ง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 มีแต่ขันห้ารูปธรรมนามธรรมนะเห็นอย่างนั้นครับ ก, การร่าสการขันพ่อส่งกันบ้านในรอบหปีนะคะก็ที่ภาวนาที่ผ่านมาเนี่ยหรือก็เห็นกายกับใจมันแย่งกันคือจะเห็นแล้วก็ตกใจพระตกใจปับ๊บมันก็จะรวมกันทันทีนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้น น, นปัจจุบันที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก็คือโทรศั์โทรศัทจริตค่อนข้างแรง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 ต่อไปแยกขันได้เฉยๆไม่เห็นใจรักของขันเฉยแหลกอีกนะปีหน้าเนี่ยมาตรฐานจะต้องเพิ่มอีกนะนะแล้วถัดๆไปอีกสองสามปีนะมนยังไม่ได้โสดาเนี่ยเฉยรับไม่ได้แยกขันได้ไหมขันแสดงใจรักนี่ยเราเจริญปัญญาแล้วน ะ, จะเจริญปัญญาไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมต้องได้อะไรบ้างคง <c oughs> ไม่โง้อถาวรหรอกเพราะถาวรไม่มี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 เจ้าให้รู้ทันนะกุศลเกิดก็อย่าให้ย้อมนะเจ้ารู้ทันนะกุศลเกิดแล้วย้อมก็ไม่ดีกุศลเกิดแล้วถูกมันย้อมแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ให้เกิดทางดีไปสุขติถ้าใจไม่มีอะไรย้อมได้ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่ต้องเกิดอีกมีความสุขที่สุดเลยอ่ะต่อไปมีไหมไปทำเอานะที่หลวงพ่อบอกนี่ก็เยอะแล้วแล้วภาวนากันหลายปีเลย ธรรมะประการเจ้าค่ะล่าสุดที่ส่งกันบ้านนะคะ่ะที่หนูบอกว่าตอนนั้นเห็นคิดว่ารู้ถึงใจแล้วหนวงพ่อยังมาแล้วก็จากนั้นพอดีหนูได้มีโอกาสไปอยู่วิเวกกัน่อกลับมาก่อนที่จะไปวิเวกรู้สึกว่ามันหลายตัวมันโดถละะ่มมากหนวพ่อมันฟุ้งมากแล้วก็มันมีบางอย่างขึ้นอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะอืพอไปอยู่วิเวกแล้วกลับมาหนูรู้สึกว่าหนูเห็น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 แต่ว่าเครื่องอยู่ไม่ใช่คุกนะหมายถึงมันมีทุ่ล่ามจะไปไหนก็ได้แต่พอไปแล้วก็รู้ทันว่าตอนนี้จิตลืมตัวเองไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเราเพราะนูเคยพยายามหลายครั้งว่าจะเอาพุทโธคะ่ะแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่ถ้าไม่ใ จ, จไม่เอาก็ไม่เอาห น, นูจะเอาร่างกายนี่แหะค่ะเหมือนว่าจะเคลื่อนอะไรก็จะอยู่นี่นี่ค่ะหนูจะไม่เอาพุทโธเวลารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูที่สบายๆนะ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 ด้วยใช่ไหมคะกับการเพ่งโทษเพ่งคนอื่นเหรอใช่ค่ะแล้วบางตัวเองก็ช่างบางทีตัวเองทําก็จะตอบก็จะด่าว่าตัวเองกันอ๋อไม่ได้นะแล้วก็อีกตัวนาะต้องมีเมตตานะเมตตากระทั่งกับตัวเองกับคนอื่นใช่ใ่ค่ะหนูก็แก้หนูก็ทําด้วยถ้าสมมติรู้ว่าเพ่งโทษปุ๊บหนูก็จะออกมาไวเลยค่ะจงใจออกมาเลยนะออถ้าไปดึงจงใจดึงเนี่ยใจจะแน่นไปนะ แต่แต่มันไม่แน่นะคะหลวงพ่อถ่ารูแล้วก็ออกเลยเออถ้ารู้แล้วม่ออกได้อย่าไปแช่ค่ะมีอะไรที่ต้องเดินอยู่ในทางไม่ไงเดินได้ดีขึ้นแล้วล่ะดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแต่จุดอ่อนของหนูคือใจฟุ้งง่ายนะงั้นหากเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สัซนแล้วจิตหนีไปเรารู้ใยใยเท่านั้นแหละค่ะแล้วหนูก็ตั้งใจแล้วว่าหนูจะไม่ให้ตกตามไปกว่าเออดีต้องดีกว่านี้ต้องตั้งใจว่าต้องดีขึ้นอีก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 ดีอะไรแนะนำอีแก้ไขดูกายวไว้คะนะคถ้าจิตนิ่งก็ดูกายค่ะนะถ้าจิตเปนเคลื่อนไหวได้เราก็ดูจิตได้ค่ะขอบคุณค่ะครับเราส่งกันบ้านกันครบสิบสองท่านนะครับก็จะขอการเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลานะครับกล่าวคำถวายทาน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 โอกาสร่วมกันน้อมจิตกราบไวพอรพอขอให้หลวงพ่อมีธาตุขันแข็งแรงปราศจากโรคภัยใดๆเบียดเบียนเป็นประทีตสองทางแห่งทําให้แก่เราสิท์ทั้งหลายนะครับเพื่อให้ได้สืบสารพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตราบนานเท่านานสืบไปขอเชิญทุกท่านกราบพร้อมกันนะครับกราบกราบอุตส่ารู้อีกว่าเราแก่ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอีโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังดุมหังคิปเววะสมิจตุสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินาสตุ มาเตปวัติวันตรายโยสุขีที่คาโยโกพะวะอาภิวาธนาศีลิสนิตจังวุทราปจายิโนช ต, ตาโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง<า>ในฐานะปีใหม่นะหลวงพ่อก็อวยพรด้วยบุญด้วยกุศลที่หลวงพ่อทำมานะที่พวกเราทำมา อย่างน้อยก็ทํามาร่วมกันแหละถึงมาเจอกันนะขอให้พวกเราเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะนะแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นเราดํารงชีวิตด้วยเหตุด้วยผลเราก็ไม่จนนะเราก็ไม่ทุกข์นะเอกพอรของหลวงพอ่อไม่ค่อยเหมือนใครเนาะต้องทําเอานะต้องทําเอาตั้งใจอะไรที่ไม่ดีผ่านไปแล้วนะไม่เอาอีก อะไรที่ดีๆก็ทำอีกแล้วทำให้ดีมากขึ้นมากขึ้นเคยทุศีลก็อย่าทุศีล น, นะเคยฟุ้งซ่านมากก็ฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้มากขึ้นมากขึ้นแยกทาดแยกขันไปฝึกให้มากฝึกให้บ่อยแล้วเราจะได้ของดีของวิเศษเราจะได้ของขฝันของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ของกระจอกงอกง่อยหรอกอะเท่านี้น ะ, น ะ, น ะ, นะนะ เขาชอบให้ผ่อนให้รวยรวยให้อะไร น, น ะ, อ, ะอยากรวยก็ให้รวยนะเออ <c oughs> <c oughs>